ดูต่อไปจตุถีวิพัตนิข้อที่2ข้อที่สองจตุถีวิพัตน์ในอตุมัถะตุมัตทะคำว่าตุมัถะคือตุงอัตทะตุงอัตะอัดตุงปัจัจตุงปัจจเนี่ยอยู่ในกิจเราแปลว่าเพื่อซึ่งวันก่อนบอกมีตุงสีตุงวันเข้าวันษาพระจะไปได้ด้วยตุงสีตุงใช่ จำได้ไหมตุงอะไรบ้างทานนั้นจะทาตุงเพื่อให้เขาถวายทานทำมันจะโสตุงเพื่อให้เขาฟังธรรมพิกครนั้นจะประสิตุงเพื่อไปเยี่ยมภิกษุและมาตาปิตูนั้นจะอุปัตติตุงเพื่อดูแลรับใช้มารดาบิดาสัตตาหะเพได้สีตุงแปลว่าเพื่อเพื่อดังนั้นในตัวอย่างต่อไปนี้ก็จะมีจะตุถีวิพัตใช้ในอัดตุงแปลว่าเพื่อ ซึ่งจ้าตุถีวิพัตน์ใช้ในอัตตุรงที่แปลว่าเพื่อนเนี่ยมักนิยมอาเทศสะจ้ตุถีเป็นอายะอาเทศสะจ้ตุถีเป็นอายะดังนั้นเวลาเราทำแจกสัทธพธมาลามาตั้งแต่อาการันปุงลิงตั้งแต่ปุริสัตสัปเนี่ยในจ้าตุถีวิพัฒก็วงเล็บบอกไว้ให้ว่าปุริสัตสะปุริสายะปุริสัตถัง ตัวอายะและตัวตะถังนี้แหละนะที่ใช้ในอัดตุงปัจจัยอะแปลว่าเพื่อเท่านั้นแปลอย่างอื่นไม่ได้แปลว่าแก่แปลว่าต่อแปลว่าสาหรับไม่ได้แปลว่าเพื่ อ, อ, ด, อ, ด, อดังนั้นจะอาเทศสระเป็นอายะปุริสะก็จะเป็นปุริสายะพุทธก็เป็นพุทธายะธรรมะก็เป็นธรรมายะสุขะก็เป็นสุขายะหีตาก็เป็นหิตายะ ว่าเพื่อเพื่อเพื่อมาดูตัวอย่างข้อหนึ่งโลกาณุกัมปายะนะเห็นอายะนี่แหละเนี่ยอย่าไปเข้าใจว่าเป็นอิทีลิง์เหมือนกันยายะนะเพราะกัมปะศัพท์เนี่ยเป็นหนปุงสกลิงศัพท์เดิมคืออนุกัมปังแต่อันนี้เป็นอนุกัมปายะเนี่ยแสดงว่าอาเทศะจัจตุถีเป็นอายะโลกานุกัมปายะเป็นคําสมาร โลกะคำหนึ่งอนุกรรมปายะคำหนึง่งอนุกรรมปายะเนี่ยแปลว่าเพื่ออนุเคราะห์เพื่ออนุเคราะห์โลกนจะแปลว่าซึ่งชาวโลกซึ่งสัตว์โลกโลกาอนุกรรมปายะแปลว่าเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกดังนั้นท่านเลยแยกให้ดูข้างหลังเห็นตุงปัจจัยมาเทียบ ก็คือคาว่าโลกะมนุกรัรมปิตุงเห็นไหมโลกะเนี่ยเป็นโลกังโลกะมนุกรัรมปิตุงเป็นสนธินะตัดออกมาได้โลกังสับหนึ่งอนุกรัรมปิตุงอีกสับหนึ่งอนุกรัรมปายะเนี่ยให้แปลว่าอนุกรัรมปิตุงโลกะให้แปลว่าโลกังอนุกรัรมปิตุงเพื่ออนุเราโลกังซึ่งชาวโลก เหมือนกันแต่ท่านเอาสัจจุถีกับตุงปัจจัยมาเทียบว่ามันแปลเหมือนกันไงสัจจุถีเป็นอาญะเนี่ยให้แปลเหมือนตุงท่านก็เลยเรียกว่าตุมัทธะเมันมีอัดเหมือนตุงปัจจัยตุงปัจจัยแปลว่าอย่างไรสะจจุถีวิพัตน์ก็แปลว่าอย่างนั้นดังนั้นอาญะกับตุงเนี่ยแปลอย่างเดียวกันว่าแปลว่าเพื่อสะเป็นอาญะก็แปลว่าเพื่อตุงก็แปลว่าเพื่อ ดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะใช้ตรงปัจจัยแล้วก็ใช้ศาสตร์จริญิวิพัฒน์เป็นอายะแทนก็แปลว่าเพื่อเหมือนกันใช่ตรงปัจจัยเนี่ยเป็นวิพัฒน์เป็นวิพัฒนฒ์ตรงปัจจัยนี่เป็นตรงในกิจไม่ใช่เป็นตรงของวิพัฒน์ปัจจัยนะเป็นตรงในกิจมีไหมเรียนกิจมามีตรงปัจจัยไหม ม, มีตรงตรงแปลว่าเพื่อ ดูตัวอย่างที่สองจะได้เห็นชัดขึ้นอัมหากังอัถายะหิตายะสุขายะสังวัตติมันคุ้นๆนะว่าทีคฆะตังหิตายะสุขายะอะไรมกกาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลแนานเทินสังวัตติย่อมเป็นไปอัถายะเพื่อประโยชน์ประโยชน์สามนั่นแหละนะทิฏฐธรรมิกะถะ ประโยชน์ในปัจจุบันสัมปังรายิกัตถะประโยชน์ในอนาคตและประมัาถะประโยชน์อันสูงสง่งอัธยะในเพื่อประโยชน์หิตายะเพื่อเกื้อกูลอัายะเพื่อประโยชน์หิตายะเพื่อเกื้อกูลสุขายะเพื่อความสุขอัมหากังแกงเราทั้งหลาย ทั้งอัฐายะหีตายะสุขายะเนี่ยเป็นสัจจุถีห ม, หมดเลยทั้งสมตัวเป็นสัจจุถีวิพัฒน์เหมือนกันอาเทศสะเป็นอายะแปลว่าเพื่อเหมือนกันหีตายะอัฐายะก็อัถะบวกสะหีตายะก็หิตะบวกสะสุขายะก็สุขะบวกสะสะเป็นอายะลบสหน้าประกอบเข้าเป็นอัฐายะหีตายะสุขายะ เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขต่อไปข้อ3จารัฐภพิกเวหูชนะหิตายะหูชนะสุขายะเคยได้ยินไหมคำนี้ตอนที่ส่งพระธรรมทูตพระรหันหกรูปไปประกาศพระาศาสนาครั้งแรกตนะรัสคำนี้พิกเวพิกษุทั้งหลาย ตุมมเหใสเข้ามาเพราะจักรรัฐเป็นิีดียางเรียกหาตุมเหตุมมเหเธอทั้งหลายจักรรัฐจงจางิกไปอย่าใช้ว่าเที่ยวไปเลยจงเที่ยวไปก็เลยไปเที่ยวจริงๆเลยจักรรัฐจงจางิกไปพระหุชนะหิตายะเพื่อเกื้อกูลชนเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก พหุชนะสุขายะเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากถ้าจะไปก็คิดว่าทำให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลมากกว่าทาโทษก็จงก็จงไปถ้าคิดว่าไปแล้วจะมีมีโทษมากกว่าเกื้อกูลก็ไม่ต้องไปบางทีไปเพื่อทำลายสกุลอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปครับไปขอโน่นขอนี่ทำลายศรัทธาไม่ต้องไป ต้าไปเพื่อให้เขาศรัทธาแล้วก็ไปหิตายะเพื่อเอาเพื่อเกื้อกูลสุขหายะเพื่อความสุขเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นจำนวนมากนะพะหูก็แปลว่ามากชนะก็แปลว่าชนแปลว่าคนข้อสี่ พุทธสัตทายะธรรมสัทายะสังคสัตทายะชีวิตตังปังริจจาชามิทั้งพุทธสัตทายะธรรมสัทายะและสังคสัตทายะนั้นเป็นสนธิตัดมาเป็นพุทธสะธรรมสะสังคสะแล้วก็บวกอัถายะอัถายะแปลว่าเพื่อประโยชน์พุทธสะพุทธสะ เพื่ประโยชน์พุทธศัพท์ฮะแกพระพุทธแกพระธรรมแกพระสงฆ์เพื่อประโยชน์แก่พระพุทธแกพระธรรมแก่พระสงฆ์หรือเพื่อประโยชน์ของพระพุทธของพระธรรมและของพระสงฆ์เพื่อประโยชน์แห่งพระพุทธเจ้าแห่งพระธรรมและแห่งพระสงฆ์อัายะแปรเหมือนกันหมดไปว่าเพื่อประโยชน์ไปดูก่อนว่าปังกฤษจะชามิขอสละขอสละ จะสละนั่นเองอ ะ, ข, ะ, ะงงข้าพเจ้าจะสละชีวิตตังซึ่งชีวิตข้าพเจ้าจะสละชีวิตอัายาเพื่อประโยชน์พุทธะแห่งพระพุทธเจ้าธรรมัะแห่งพระธรรมสังคะแห่งพระสงฆ์อย่างนี้ก็ได้หรือจะบอกว่าแก่ก็ได้แก่พระพุทธแก่พระธรรมและ แก่พระสง์เคยคิดไหมเคยคิดสละชีวิตวรักษาธรรมะบ้างมท่านบอกว่าควรสละบุคคลควรสละคนคนหนึ่งเพื่อรักษาวงสกุลเวลาหน้าสิวหน้าขวาน <c oughs> เวลาอับจนเวลาเกิดอะไรขึ้นมาอย่างรุนแรงที่จะต้องให้ทางเลือกนะจะตายทั้งหมดหรือจะให้คนเป็นหนึ่งคนสมมติว่ามีโจรมาจับเนี่ยมาจับลูกชายไปจะสละลูกชายหรือจะต่อสู้กับโจรดีสละลูกชายก็สละหนึ่งคนเพื่อรักษาคนอื่นๆถ้าต่อสู้อาจจะตายทั้งหมดไนดะ้หรือไม่ก็ท่านบอกว่า จะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตสมมติว่าเป็นโรคร้ายแรงอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาจะต้องตัดอวัยวะบอกบอกไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดยอมตายเอาไว้เลยให้มันระบาดเข้ามาตายเลยไม่ต้องตัดอย่างนี้เรียกว่าไม่ยอมสละอวัยวะเพื่อจะรักษาชีวิตดังนั้นถ้ามีโรคร้ายแรงเกิดขึ้นที่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งจะต้องตัดอวัยวะนั้นถึงจะมีชีวิตรอดก็ต้องสละนะ ต้องสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและบัณฑิตท่านบอกว่าถ้าเป็ น, ปนบัณฑิตต้องสังระชีวิตเพื่อรักษาธรรมรักษาชีวิตเพื่อรักษาธรรมครับเนี่ยยอมสละไหมครับัสะะบกสละชีวิตเพื่อพระพุทธเพื่อพระธรรมเพื่อประสงค์ได้ไหมเช่นท่านทําผิดถึงโทษประหารชีวิตนะครับเขาบอกว่า ถ้าท่านบอกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีจะปล่อยชีวิตจะปล่อยให้เป็นอิสระไม่เอาฮะไม่เอาได้เหรอจริงๆรเหรอเพียงแต่บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีหรอกเขาโกหกกันพระธรรมก็ไม่มีพระสงฆ์ไม่มีถ้าพูดอย่างนี้ได้จะปล่อยไม่ประหารเอาละทีนี้จะเอาชีวิตดีหรือจะหรือจะพูดไม่จริงดี ไม่ไม่พูดให้เขาว่าไม่ไม่เขาว่ามีพรทีเจ้ายอมเขามีพรที่เจ้าไม่ยอมตายไม่โง่ตายยอมตายเอาถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นพูดได้ถ้าสมมติว่าเขาเอาผู้หญิงสาวๆมาล่อก่อนน่ะไม่ได้เอกโยมอย่ามายั่วตมาตมารักษาพระพุทธธรรมประสงค์ รักษาผมมาจารย์ถ้าจะมายั่วองีค่าให้ตายดีกว่ากล้าพูดไหมอ้าวไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่ได้แล้วอืมใช่เขาจ้างให้ไปเขียนคำมภี์อะไรคำมพีอะไรแปลเป็นภาษาอื่นเขาก็ยังไปเลยไม่ไปสิท่านยังไม่ได้จบประโยกนเก้าเนี่ย จะจะรอดูผมกอยน้ถึงไม่จบไม่ไปทงานในเขาอย่างยงอ่ผมก็ไม่ไปรอ้าวตอนนี้ตอนนี้มีถวายสังฆทานด้วยนะบวชคริสเดี๋ยวนี้มีถวายสังฆทานบทมุสลิมมัสยิดก็มีถวายสังฆทานครับมีมีจัดบวชเพื่อพาลูดูร้อนด้วยนะครับ้า ท่านเขาสังฆทานมาถวายว่าไงรับไหมเอ้าไม่เอาได้ไงล่ะเอาก็รับในในพุทธศาสนาเรรับยืดแต่ว่าจะไปไปเขาไม่ไปให้สิล้านไม่เอาเอ้าเขายืดเงื่อนไขเลยครับอืมก็ไม่เป็นไรหรอกให้มากเกินไป อ้าดูต่อไปดูต่อไปช่างบันเถอดใครจะเป็นยังไงก็ต่อไปข้อห้าปินตปาตังปฏิเสวามิเนวัฏวายะนมทายะนมัมนดานายะนวิปูสนายะยาวะเทวอิมัสากายาสถิติยายาปนายะ <c oughs> ไม่เห็นยะยะยะทั้งหลายเนี่ยอายะอายะเนี่ยล้วนแต่เป็นสัจะตุถีวิพัตทั้ทงนั้นเลยแ <c oughs> ปลว่าเพื่อทั้งนั้นนี่ย ปฏิเสวามิประธานคืออาหารอาหารข้าพเจ้าปฏิเสวามิย่อมบองรบริโภคบริโภคบริโภคปัคคจจัยอะปินดาป้าตังซึ่งอาหารบิณฑบาตข้าพเจ้าบริโภคอาหารบิณฑบาตณมะทายะก็คือณตัวเนี้ยเข้ากับสังวร ต, ติหมดเลยนะแต่ว่าในนี้ท่านไม่ได้ใส่สังวตติมาเราก็ไม่ต้องแปลก็ได้ณ มท า, ายะอณะทวายะเนวะนะเ น, เนวะคือณเอวะนั่นแหละเนวะทวายะไม่เป็นไปเพื่อการเล่นสนุกสนานทวายะแปลว่าเพื่อสนุกสนานเพื่อสนุกสนานก็หาไม่เนวะไม่ใช่เพื่อสนุกสนานนะนะมะทายะไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่ กินอาหารอย่างมัวเมาเลือกเลือกแต่อร่อยอร่อยอะไรอย่างเนี้ยไม่ใช่เพื่อความวมัวเนะมาณัมดานายะไม่ใช่เพื่อประดับณนะวิภูสนายะไม่ใช่เพื่อตกแต่งคําว่าเพื่อประดับเพื่อตกแต่งก็คือขุนร่างกายให้อ้วนท้วนสมบูรณ์ผิวพรรณเปลง่งปังดูงามอะไรอย่างเนี้ยไม่ใช่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแล้วเป็นยังไงยาปานายะ อาทิติยาทิติยาเพื่อการตั้งอยู่ได้ยาปนายะเพื่อความเป็นไปได้กาัยศะแห่งร่างกายอิมัทสะนี้ยาวะเทวะเท่านั้นเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปได้เท่านั้นอิมัทสะการยสะแห่งร่างกายนี้ นี้นี้กายยศแห่งกายทิฏฐิยาเพื่อตั้งเพื่อการตั้งอยู่ได้ยาปนายะเพื่อความเป็นไปได้เพื่อการตั้งอยู่เพื่อการเป็นไปแห่งร่างกายนี้ยาวะเทวะเท่านั้น ทำไหนแปลไม่ทันถามปฏิเสวามิมย่อมบริโภคปินดาปาตังซึ่งอาหารบินธบาตอันไหนปฏิเสวามิเลยไม่ใช่ปฏิเสวามิแปลว่าบริโภคบริพุนชามิเล ย, ยเนวัทวายะไม่ใช่เพื่อการเล่นไม่ใช่เพื่อการเล่นไม่ใช่เพื่อสนุกสนานไม่ใช่เพื่อเพลิดเพลิน ณนะมท า, ายะไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่มัวเมาในอาหารไม่ใช่เพื่อความมัวเมาณนะมันดนายะไม่ใช่เพื่อประดับณนะวิภูสายะไม่ใช่เพื่อตกแต่งทิตยาเพื่อตั้งอยู่ได้ยาปานายะเพื่อความเป็นไปได้อิมัสกายะสะแห่งกายนี้ ยาวะเทวะเท่านั้น่คาว่าไม่ใช่ไม่ใช่โยมไม่ต้องเขียนหมดหรอกอเขียนว่าเพื่อมัวเมาอะไ ร, ะไรก็ยาวะเทวะน่ะเท่านั้นนะครับเท่านั้นนั่นเทียว อ, อย่างนี้เลยไอ้ไนั่นเทียวมันก็คือเท่านั้นนะเท่านั้นยาวะฮะเมวะคือน้น้านะทูตัวแปลว่าไม่ใช่แล้วอะนะนั่นแหละนะเนี่ยโยมไม่ต้องเขียนซ้ําอีก ก็เขียนเพียงแต่ว่ามะทายะเพื่อมัวเมามันนายะเพื่อประดับวิภูสนายะเพื่อตกแตง่งอไม่ใช่ไม่ใช่เรารู้อยู่แล้วอืเคยสวยดไหมปฏิสังขายโยก็ตามอัชมยาก็ตาโยมเคยสวยดไหมอ่ะสวดให้โยงฟังหน่อยเอาปิณฑปาตั ง, รรง ส, งคงสงคิครับ เนวตวายามธามักนาวิปสาาวเจวิมสกายสัจาปบิุปรติาะัจเาุาติปุรานันตะเวทนานปิหัขามิณวัจจเวทนนุปเสามิญาตราชเมพวิสันติอนวัจชะตาจพสวิหงโรจาติยมกับว่าคล่องกับพระเองฮะ ท่านบอกว่าสมัยบวชใหม่นะคนแก่คนเท่าบอกว่าบวชมาแล้วฉันโดยไม่พิจารณานี่คือคําพิจารณาพิจารณาขณะฉันก่อนจะออกบินทบาทตื่นเช้ามาพอไปยืนอยู่หน้าวัดใกล้จะออกบินทบาทพระกามาเข้าแถวกันหลวงพ่อนําหน้าก็เปิดฟ้าบาทเป่าทางแถวตามหมดเลยครับเปิดฟ้าบาทเป่าพูดตามหมดเลยเสรคาถา เสรษ า, าใส่จริงๆก็คือคําพิจารณาเวลาบินธบาร์รับบินธบารพิจารณาพอถามลุงตาลงตาเปล่าทำไมเฮ้ เ, เป่าคาถาให้มันขังไม่บินธบารไม่ได้นะเปล่าครับไม่มีคาถาพ อ, พอเปลาเปล่าก็เป๋าตาไมไปอย่างนั้ น, นครับเปล่าไปหมดโบราณโบราณสั่งเอาไว้แล้วเนี่ยถ้าวันไหนฉันบินธบารไม่พิจารณาถ้าบานนอกคู่ก็บอกว่าตายไปแล้วจะเป็นวัวเป็นควายเขาไถนาใช้นี่ ตายไปเป็นวัวเป็นควายเขาใช้ลากไถใช้นี่ตอ น, นั่นมันก็กลัววัวจะเป็นวัวเป็นควายก็พิจารณาก็คือคําว่าพิจารณาเนี่ยก็เนี่ยเหตุผลในการพิจารณาเวลาฉันก็คือว่าฉันไม่ใช่เพื่อสนุกสนานไม่ใช่ฉันไปหัวเลาะล่าอุย้ยอร่อยจังเลยแม่เอาลงมาจากร้านไหนเนี่ยโอ้ยสุดยอด <c oughs> ไม่ได้พิจารณาแบบนั้นถ้าพิจารณาฉันขนาที่เคี้ยวตุยตุ้ยตุ ย, ตยไปก็อย่าติดในรถ ่าติดในกลิ่นก็เพียงแต่ว่าฉันเนี่ยเพื่อจะให้ร่างกายตั้งอยู่ได้ให้ร่างกายพอเป็นไปได้เท่านั้นพิจนาเท่านี้เรียกว่าพิจนาการใช้ปัจจัยปัจจัยอื่นก็เหมือนกันนะเอาละพอแล้วต่อไปดูข้อ6ข้อหอุนัสสปางริปุงริยาผาสุวิหารรายะจะทำมังจังรติ จักระติย่อมประพฤติทรมังซึ่งทำประพฤติธรรมเพื่ออะไร 1. ปางริปูงริยาอูณัสสะก่อนอูณัสสะปางริปูงริยาปางริปูงริยาเพื่อความบองฤบูนอูณัสสะแห่งสิ่งที่ยังพร่องเพื่อความเต็มแห่งสิ่งที่ยังไม่เต็มเช่นทานบารมียังไม่เต็มประพฤติธรรมนี้ก็เพื่อจะให้ทานบารมีเต็ม เราพึ่งทำเพื่อให้ศีล<ม>เต็มเพื่อให้เนคขมมะเต็มเพื่อให้สติเต็มเป็นต้นอ่ะอันที่หนึ่งก็คือเพื่อความบริบูรณ์แห่งสิ่งที่ยังบกพร่องต่อไปสองผาสุวิหารระะัะและเพื่อความอยู่อย่างสบายเพื่อความอยู่อย่างผาสุเพื่อความอยู่ผาสุผาสุนั่นแปลว่าผาสุ วิหารรายะแปลว่าเพื่อการอยู่เพื่ออยู่เพื่ออยู่ผาสุขเพื่อความบริบูรณ์แห่งสิ่งที่บกพร่องและเพื่อความอยู่ผาสุขแต่ถ้าแปลโวหารง่ายๆก็บอกว่าประพฤติทมเพื่อทำสิ่งที่พร่องให้เต็มและเพื่อความอยู่อย่างสบาย พราะาคือทแล้วกายก็สบายใจก็สบายจะเดินจะนั่งจะยืนจะนอนตรงไหนก็สบายสบายปลอดโปรง่งแปลคำไหนไม่ทันเพื่อความบริบูรณ์แห่งสิ่งที่พร่องและเพื่ออยู่ผาสุข<ม>เพื่อความอยู่ผาสุขนะ อ, อย่าง ต่อไปข้อเจ็ดสุดท้ายเป็นคาถาจากธรรมบทอัปมาทังงระโตพิขุปมาเทพยทัศวิวาอภพโภปังคิหานายะนิพานสเสวสันติเกจากพระไตรปิฎดกดเล่มที่ย5ห้าข้อสาสสองลืมบอกไปหน้าย1สิบเอดนั่นแหะมัน2ี่ิเลขหนึ่งหายไปไหนหน้าย1เอ็ด เติมหนึ่งอีกหนึ่งตัวข้าถานี้พระพุทธเจ้าตรัสเพราะปรางรบภิกษุรูปหนึ่งเรียกว่าภิกษุบ้านนอกเพราะชื่อท่านชื่อว่าติดสัเพราะอยู่แต่บ้านนอกไม่ยอมเข้าในเมืองก็เลยเรียกว่าพระนิคมะวาสีติดสันิคมะแปลว่านิคมแ ป, แปลว่าชนบทแปลว่าภูทร วาสีแปลว่าผู้อยู่ติดสะเป็นชื่อของท่านนิคมะวาสีติดสะเถงะพระเถงระชื่อว่าติดสะอยู่แต่ชนบท <c oughs> มีกุลบุตรผู้หนึ่งเกิดในชนบทเขตกรุงสาวถีมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า ศรัทธามาขออุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อเป็นภิกษุแล้วท่านก็กลับไปอยู่ที่บ้านเกิดของท่านวันวันอาศัยแต่บ้านญาติบินทบาทไม่ไปบินทบาทที่อื่นเลยบินทบาทแต่หน้าบ้านญาติพี่น้องน่ะบินอยู่แค่นั้นนะอยู่มาอยู่มาอนาถบาินดีกาเศรษฐีนางวิสาขามหาอุบาสิกา ถวายมหาทานนิมน์พระทั่วนครสาวัตถีมากรับทานท่านก็ไม่มาพระเจ้าประเสณที่โกศลจัดถวายอสธิสถานเดวยวกันที่ไม่มีใครเหมือนเลยยิ่งใหญ่มากนิมน์พระทั่วแขวนโกศลนิมน์หมดทุกวันเลย ท, ทั่วแขวนโกศลเลยท่านก็ไม่มา วันหนึ่งภิกษุที่อยู่วัดเดียวกันกับท่านองค์นี้เขานิมตดไปไหนไปหมดแล้วก็มาตําหนิท่านเอ๊ะท่านเนี่ยนีมตดไปไหนก็ไม่ไปครุกขีอยู่แต่กับญาติตื่นขึ้นมาก็เข้าบ้านญาติตื่นขึ้นมาก็เข้าแต่บ้านญาติไม่ไปไหนเลยวันหนึ่งเดินทางไปที่พระเชตวันเข้าไปโจดจานกันเรื่องเนี้ยที่วัดผมนะมีพระรูปหนึ่งวันวันไม่ไปไหนเลยใครนีมตดไปไหนก็ไม่ไปบินทบาดแต่บ้านญาติตัวเองอย่างเดียว ภิกษุของหลายอุ้ยมีด้วยหรืออย่างนี้ทําไมเป็นอย่างนั้นล่ะแยกห่างจากญาติไม่ได้หรือท่านคิดถึงบ้านเลยวิภาวิจารนันไปต่างๆนาน า, นาพระพุทธองค์ทราบเข้าจึงรับสั่งให้ตามภิกษุรูปนั้นเข้าเฝ้าภิกษุก็ไปตามท่านมาจากบ้านนอกพอมาตามกันแล้วเวลาเย็นประชุมสงฆ์พระพุทธเจ้าตรัสถามทรามกลางสงฆ์ว่าภิกษุภิกษุ เขากล่าวหาเธอว่าคุกคีอยู่แต่บ้านญาติเท่านั้นไม่ไปรับทานที่อื่นเลยจริงหรือเปล่า <c oughs> ภิกษุรูปนั้นก็รับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะทําไมเธอจึงทําอย่างนั้นละ่ะมหาอุบาสกมหาอุบาสิกานิมนต์มาเธอทําไมไม่มารับทานพระเจ้าประเสริฐที่โกศล น, นิมนต์มาทําไมไม่มารับทานภิกษุรูปนั้นก็กราบทูลว่า แต่พระพุทธองค์ผู้ประเสริฐข่าพระพุทธองค์นั้นไม่ได้คลุกคลีในหมู่ญาติเลยพยิจนาณาเพียงแต่ว่าการบินธบาตในหมู่ญาติเท่านั้นเพียงพอที่จะฉันในแต่ละวันแล้วจึงไม่ประสงค์ไปที่อื่นไม่มีประโยชน์ที่จะสแสวงหาอาหารอีกเมื่อพอฉันแล้วดังนั้นพอเดินบินบาต ท, ทีผ่านญาติเขาถวายก็พอฉันแล้ว ก็กลับวัดไม่ไปรับบ้านกันอีกเป็นอยู่อย่างนี้พอท่านเล่าอย่างนี้ให้ฟังพระพุทธเจ้าก็สาธุดีแล้วภิกษุเธอทำตามประเพณีของเราถูกต้องแล้วแม้เราก็เป็นผู้สันโดษอย่างนั้นเหมือนกันเพราะในอดีตการเราเคยทำมาก่อนแล้วภิกษุังหลายหูพึงเลยเป็นยังไงพระพุทธเจ้าครับเป็นยังไงอดีตเหมือนเรานี่แหละหูพึง พอพูดถึงอดีตปุ๊บอยากจะฟังฟังไหมอดีตฟังอดีตการนานมาแล้วมีพญาสุวะสุวะสุวะแปลว่านกแก้วพญานกแก้วถ้าพอพูดถึงนกแก้วปุ๊บเห็นอะไรเกี่ยวกับนกแก้วบ้างอนวัฒนามเห็นอะไรเห็นตัวเขียว ปากงอนงอนชอบชอบแคะเม็ดชอบชอบอะไรนะชอบแกะเม็ดคุยไผ่โอ้ยปุยไผ่ไม่เอานาแก้วแคะเม็ดลูกเดือยแคะเม็ดข้าวเปลือกเม็ดข้าวสาลีอะไรใครเขาปลูกข้าวนาข้าวสาลีนาข้าวอะไรทุกอย่างนกแก้วลงเป็นฝูงฝูงนะบางตัวแทะแท ะ, แทะกระทาะเปลือกง่ายเนะี่ยปากมันนะบางตัว กินอิ่มแล้วคาบรวงไปด้วยแต่นกแก้วตัวนี้ไม่ใช่นกแก้วตัวนี้เป็นนกแก้วที่มีความสันโดษสูงมากอาศัยป่ามะเดือ่ออยู่กับฝูงมากมายเลยเริ่ดดูมะเดื่อออกผลกินผลมะเดือ่อเพราะผลมะเดื่อไม่ออกกินดอกดอกไม่มีกินยอดยอดไม่มีกินใบนกแก้วตัวอื่นก็ พอมาเดือป่านี้ไม่มีลูกแล้วก็พากันบินไปป่าอื่นไปเก็บผลไม้อื่นกินพอไปเห็นผลไม้สุกมากมายก็รีบกลับมาบอกพญานกแขก น, นกแก้วตัวนี้ว่าอะไรเงี้นะนกแก้วมันบอกกันนะนะอะอยู่ทําไมนี่ไปนูน่นไปนูน่นลกไม้สุกยอะแยะเลยมาอยู่ทําไมต้นเดียวตรงนี้ <laughs> ข่าว <laughs> นกแก้วมันพูดอย่างนี้มันพูดยังไงนกแก้วอ่ะนกแก้วพูดแจ้วแจ้วพญานกแขกเต่าเขาไม่สนใจพวกเจ้าไปเถอะเราจะอยู่ตรงนี้แหละความสันโดษของพญานกแขกเต่าเนี่ยจนทําให้บัลลังก์ศิลาอาตของพระเทาสกะเทวราชร้อนรุ่ม <c oughs> เอ้นกแก้วตัวนี้เป็นสัตว์สันโดษจริงหรือเปล่าจะลงไปทดลองหน่อย ท้าสักกะเทวราชเนรมิตรให้ต้นมะเดื่อตายดูสินกแก้วจะยังอยู่ต้นเดิมไหมนกแก้วก็ไม่ได้บินหนีไปไหนวันสองวันอาทิตย์สองทิตย์ผ่านไปกิ่งแห้งหักล่วงลงไปเหลือแต่ต่อนกแก้วตัวนี้ก็ไม่ยอมไปไหนจิกกินขุยไผ่เอ้ยไม่ใช่ขุยไผ่ขุยมะเดื่อเนี่ยแล้วก็ลงไปดื่มน้ําในแม่น้ำค่าคงคาดื่มน้ําเสร็จแล้วก็ขึ้นมาจิกจิกติดคอก็ลงไปดื่มน้ํา เหลือแต่ตอลมพัดมาขุยไม้มาเดือปริวว่อนก็ใส่จิกกินขุยไม้แห้งเนี่ยอยู่จนเท้าส ก, กะเฮสันโดจจนโดจริงๆเลยสันโดดจริงๆเอาละชวนนางอสุรคัญญาก็คือนางสุชาดาลูกสาวของอสูรนั่นแหละซึ่งเป็นภรรยาที่มาจากนางสุชาดาโน่นจำได้ไหมภรรยาคนที่สี่เพราะว่าไปน้องพี่จะพาไป เนรมิตรร่างเป็นพญาหงกับภรรยาบินผ่านมาร้องตะโกนถามเจ้านกสุวะว่านี่เจ้าสุวะข้าผ่านมาทางนู้นเห็นป่าไม้อุดมสมบูรณ์ลูกสุกแดงบ้างเหลืองบ้างเต็มอารามไปทั่วป่าเชียวไปสิเจ้านกแขกเต้าบอกว่าเชิญท่านหงไปเถิดข้าพระเจ้าจะอยู่ที่นี่แหละ ผมก็เดินบินผ่านไปบินผ่านไปวกกลับมาใหม่มาบอกอยู่ว่าอู้ข้าเห็นอีกป่าหนึ่งแล้วอยู่ไม่ไกลตรงนี้เองผลสุกเต็มป่าเลยน่ากินทั้งนั้นไปสินกแก้วบอกว่าเชิญพวกท่านไปเทิดข้าพเจ้าจะอยู่นี่แหละหง ผ, ผ่านไปผ่านมาหลายรอบชวนให้นกแก้วไปป่านั้นป่านี้เพื่อกินผลหมากรากไม้ที่ดีก็ไม่ยอมไป สุดท้ายหงสองตัวก็เลยมาเกาะที่ตอไม้มาเดือด้วยกันนั่นแหละถามปัญหาหลายอย่างนะโดยเฉพาะถามเรื่องมิดแตท่ทำทําเครื่องผูกมิตรถามเยอะว่าคนจะมีมิรควรจะรักษาทำยังไงคนจะมีทำอย่างไรอย่างไรอย่างไรนกแขกเต่าก็เก่งเรื่องธรรมะเหมือนกันนะถามปัญหาอะไรมาพูดให้ฟังหมดคนจะรักษาน้ําใจมิตรไว้ได้ต้องมีทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ มีตั้งแต่การให้เป็นต้นการให้อยู่มาอยู่มาคุยกันนานพอสมควรจนเท้าสก่าเทวราชเลื่อมใสในคุณความสันโดษเลยเนรมิตต้นไม้มาเดื่อต้นนั้นน่ะให้ฟื้นกลับคืนมาให้มีผลตลอดปีตลอดชาติไม่วายเลยมีผลสุกทุกวันทุกวันทุกวั น, วนพญานกแก้วตัวนั้นก็ได้อาศัยต้นไม้เนียกินอยู่จนสิ้นชีวิต เมื่อสิ้นชีวิตแล้วพระพุทธเจ้าประชุมชาดกว่าท้าวส ก, กะเทวราชในสมัยนั้นก็คือพระอาณ น, นในปัจจุบันส่วนพยานนกแขกเต้าคือเราตถาคตนี่แหละภิกษุเราเคยเป็นผู้สันโดษมาก่อนเธอแล้วการที่เธอได้ถือสันโดษบินทะบาทแต่ในหมู่บ้านญาติเท่านั้นพอฉันแล้วก็พเพียงพอนั้นถือว่าได้ทาตามประเพณีที่ดีงามของบัณฑิตทั้งหลาย กูเจ้าก็เลยตรัสคาถานี้ว่าอัปมาทังกระโตภิขุปมาเทพยทัศสีวาอภ พ, พโภปัริหานายะนิพพานตเสวะสันติเกภิกขุภิกษุอัปมาทังกระโตเป็นผู้ยินดีในความไม่ประมาทเป็นผู้ยินดีในความไม่ประมาทพยทัศสีวาวาหรือพยทัศสีเป็นผู้เห็นภัย ประมาเทในความประมาทเป็นผู้เห็นภัยในความประมาทอาภพโพไม่สมควรปา ร, ริหานายะเพื่อเสื่อมเพื่อจะเสื่อมเป็นผู้ไม่สมควรเพื่อจะเสือ่อมอัฏ ฐ, ฐาสิได้ดำรงอยู่แล้วใส่เข้ามาไม่มีในคาถานะอัฏถาสิได้ตั้งอยู่แล้ว อาถาสิได้ดำรงอยู่แล้วสันติเกในที่ใกล้สันติเกในที่ใกล้นิพานัตเสวะแห่งพนิพานนั่นเทียวแห่งพนิพานแลอาถาสิได้ดำรงอยู่แล้วสันติเกในที่ใกล้นิพานัตสะเอวะนิพานัเสวะแห่งพนิพานแล ไม่สมควรเพื่อจะเสื่อมปริหานายะเพื่อจะเสื่อมไม่สมควรเพื่อจะเสื่อมไม่สมควรเสื่อมอ่ะฮะได้ดํารงอยู่แล้วเริ่มใหม่ภิกขุภิกษุอปมาทังรตโตผู้ยินดีในความไม่ประมาทผู้ยินดีในความไม่ประมาท อธทังระโตมาจากอาบวกทังระและตะปจจัยแปลว่ายินดีแล้วอัอปมาทังระโตผู้ยินดีในความไม่ประมาทวางหรือพยทัศศิก็คือพยทัศศีรักษะเพื่อรักษาฉันนะพยทัศศีเห็นภัยเห็นภัยเห็นภัยประมาเทในความประมาท ยินดีในความไม่ประมาทหรือเห็นภัยในความประมาทอภพโภไม่สมควรไม่สมควรปังริหานายะเพื่อจะเสื่อมไม่สมควรเสื่อมนะไม่สมควรเพื่อจะเสือ่อมอัายะได้ดํารงอยู่แล้วอัาสิอัฐสิใส่เข้ามาอัฐสิได้ดํารงอยู่แล้วสันติเกในที่ใกล้ นิพพานัตเสวะแห่งพระนิพพานในที่ใกล้แห่งพระนิพพานก็คือยืนอยู่ใกล้พระนิพพานแล้วผู้ไม่ประมาทผู้เห็นภัยในความประมาทเป็นผู้ไม่ควรจะเสื่อมก็คือไม่ต่ำลงมิแต่สูงขึ้นเขาใกล้พระนิพพานแล้วพอได้ฟังธรรมกถานี้ภิกษุรูปนั้นบรรลุพระอรหรันต ภิกษุนี่มะว่าสีติดสาเนี่ยบรรลุพระอรหันต์เราฟังแล้วบรรลุอะไรบรรลุความงวยงง <c oughs> ยังแปลไม่ถูกอะลองแปลดู <c oughs> เริ่มตั้งแต่ข้อหนึ่ง น, นั่นแหะ โลกานุกรรมปายะเพื่ อ, อเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก แล้วไม่มีความหมายอะไรเราไม่ไม่มีเนื้อความพิเศษใส่มาเพื่อให้เต็มบาทเฉย